วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กๆ็น้อยนยนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กๆ็น้อยนย ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กๆ็น้อยๆยท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกของเล็กๆ็น้อยน้อยสงเห็นด้วย เพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้